ยี่ k ิบเจ็ซในโรงรแรมการมาถึงวอคเทลูปริหอดคุณมีห้องว่างไหมคะอิมาเต้รอสต์โซโบ ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ RESERVIERANO ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ ะ, มมะดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ ENO POST ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ p o t r ้องการ d องห้องพักห้องราคาคืนเท่าไหร่คะคุณจะอยู่ที่นี่นา t แค s o หนดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้าค่ะรับิบสกอปัลนซโซรัฐบ i ส o ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะรัตบิซอโบสปอร์คอราดบิซอโบสปร์รปรดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะอ l ลิลัคโควีดิมทูซอโบที่นี่มีโรงรถไหมคะเยตูไกคักชนาการาจ ที่นี่มีตู้นิราภายยัยไหมคะเยตูไก a กักฉันเซฟที่นี่มีเครื่องแฟกซ์ไหมคะเยตู uka กักฉันแฟกซ์ดีดิฉันเอาห้องนี้ค่ะดอเบอซามิมทูซาบอนี่กุญแจห้องค่ะ ลนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะทุ k ขย moya ปอร a บริการอาหารเช้ากี่โมงคะอคาริอูยรยซกบริการอาหารกลางวันกี่โมงคะอปคาริอูริเยคอซล บริการอาหารเย็นกี่โมงคะอบคาเทริอุริเยเวเชีย